เพลินกับอาหารการกินเพลินกับลาบเพลินกับอะไรต่างๆานานาอย่างเงี้ยก็เลยทําให้เลยกลายเป็นเสพนะหรือว่าติดอยู่กับสิ่งเหล่านี้ก็เลยลืมที่จ ะ, สะแสวงหาคุณของของการเนคขมมะหรือการออกจากกรามออกจากลาบยอะเตลงต่างเหล่านี้คนจันทานจึงกล่าวเสริม ให้กับพราหมว่าท่านจงหลีกลีไปเสียเถิดโลกนี้กว้างใหญ่อย่าติดหลงอยู่กับเรื่องปากท้องอธรรมที่ท่านประพฤติมาแล้วอย่าได้ทำลายท่านเสียเลยเหมือนเอาก้อนหินต่อยหม้อดินให้แตกฉะนั้นดูก่อนพราหมเราติเตียนการได้ยศการได้ทรัพย์และการเลี้ยงชีวิตด้วยการทำตนให้ตกต่า หรือด้วยการประพฤติไม่เป็นธรรมก็เสริมเลยคนยันทานนี่พูดง่ายว่าสอนสอนพรามปุโรหิตเลยนะพรามปุโรหิตนี่เท่ากับเป็นอาจารย์ของพระราชาสอนเลยบอกถ้าท่านทำตัวตกต่ำอย่างเงี้ยท่านไปหากินที่อื่นดีกว่าพูดง่ายนะไม่ไม่ต้องมาหากินอยู่ใน อ, อ, อยู่อยู่กับพระราชานีกรนะแด่ไปหากินที่ที่ ประพติตัวได้สูงกว่า น, นี้ประพติตัวให้เป็นธรรมกว่า น, นี้แล้วก็บอกว่าเนี่ยเราติเตียนการได้ยศการได้ทรัพย์การเลี้ยงชีวิตก็พูดง่ายๆเนี่ยก็สอนโดยตรงเลยละสอนพรามไปลำดับนั้นพระราชาทรงเลื่อมใสในธรรมะของคนจันทานนั้นจึงตรัสถามว่า บุรุษผู้เจริญท่านอยู่ในวั น, นะใดกันเอาเล้วนะเพราะว่าเขาถือชั้นมันนะมากถามอะไรไม่ถามก่อนนะถามวันณนะก่อนเลยว่าท่านอยู่ในวันณะไหแต่ก็คงยังมีความหมายอื่นด้วยว่าทําไมถึงถามเรื่องวันนะอา่าคนจันทานก็เลยตอบกราบทูลว่าข้าพระองค์เป็นคนจันทานพระเจ้าข่าพระราชาตรัสว่าท่านผู้เจริญ ถ้าท่านเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยชาติวันนะ้แล้วก็เราจะให้ราชสมบัตินี้แก่ท่านแต่เพราะท่านเป็นคนจันทานฉนั้นนับตั้งแต่นี้ไปเราจะเป็นพระราชาในตอนกลางวันส่วนท่านจงเป็นพระราชาในตอนกลางคืนเถิดเออคิดแปลกแปลกะนะพระราชาองค์นี้ แต่ให้เห็นว่าเรื่มใสยมากเพราะได้ยินได้ฟังคําพูดของคนจันทานสอนมาอย่างนี้ปับ๊บผู้ง่ายว่าคงได้สตินะแล้วก็ได้เกิดปัญญาขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็เลยอะไรอ่ะบอกเลยบอกว่าเนี่ยถ้าคนจันทานเนี่ยนะถ้าอยู่ในวันนะอื่นถ้าเป็นอยู่ในวันนะอะไรอ่ะพราหมณ์แพทย์อะไรพวกนี้นะกษัตริย์อะไรพวกนี้นะถ้าเป็นวันนะอื่นเนี่ยบอกจะยก ราชสมบัติให้เลยแต่ตอนนี้พอมาเป็นวนาจันทานนี่เลยบอกโอ้โหจนแต็มเลยไม่สามารถที่จะยกให้ได้เพราะนั้นก็เลยบอกว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นพระราชาในตอนกลางวันหมายถึงว่าอะไรอะ่ะก็ว่าราชการงานเมืองอะไรไปปกติแต่ตอนยัางคืนเนี่ยจะยกให้คนจันทานนี้เป็นกรรษัตริย์ครองเมืองก็ไม่รู้จะยกให้ยังไงนะคองเมืองในตอนกลางคืน แล้วกษัตริย์นี่พูดเล่นๆได้ไหมไม่ได้นะพูดนี่ต้องพูดเป็นสัจจะนะต้องพูดเป็นความจริงวพระนั้นบอกว่ายกให้ให้คนยันทานเนี่ยคลองเมืองในตอนคืนก็ต้องเป็นไปตามนั้นซึ่งเท่ากับหมายความว่ายังไงถ้าถ้าเราเข้าใจเป็นธรรมธิฐานตอนวันนี่หมายถึงเปิดเผยเขาจะเป็นพระราชาอย่างเปิดเผยท่ามกลางสาธารณชนใช่ไหม เ, เปิดเผย ใครๆจะรับรู้เลยว่าคนนี้เป็นพระราชาแต่ตอนกลางคืนหมายความว่าต้องปกปิดอ่าต้องซ่อนเร้นต้องปกปิ ด, ต, ปปดต้องซ่อนเร้นหรือต้องไม่เปิดเผยเพราะนั้นจะให้คนยันทานคนนี้เป็นพระราชาได้ยังไงเปิดเผยได้อยังเปิดเผยได้ไหมไม่ได้เพราะจะให้เป็นพระราชาได้ก็ ต้องอย่างปกปิดเท่านั้นเองเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาอยู่ในวั น, นะของคนจันทานจะไปให้ไปครองเมืองอย่างเงี้ยแล้วรับรองเลยว่าพระราชาคนนี้ต้องเสร็จแน่ๆเลยชาวบ้านชาวเมืองหรือว่าอะไรที่เขาถือชั้นบรรณนี้เขาจะไม่ยอมเด็ดขาดข้อนั้นน่ยศรัทธามากๆอยากจะให้คนจันทานนี้เป็นพระราชาแต่ก็ต้องเป็นใบอย่างซ่อนเล้นเท่านั้นเองไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้ นี่ก็หมายความว่าในตอนอยลางคืนนะให้เป็นได้เฉพาะตอนกลางคืนแล้วประทานพวงดอกไม้เครื่องประดับพระอของพระองค์ให้ประดับคอของคนจันทานนี้เป็นธรรมเนียมของการประดับพวงดอกไม้แดนที่คอของคนที่จะเป็นผู้รักษาพระนครอ๋อนี่เป็นธรรมเนียมว่าถ้าพระราชาเนี่ยบอกว่ า, าจะยกหรือว่าจะแต่งตั้ง ใครให้คลองเมืองเนี่ยก็จะถอดถอดเครื่องประดับพศเนี่ยนะสร้อยคออะไรพวกเนี้ยเอามาให้กับคนนั้นนะดอกไม้หรือว่าอะไรมีเนี่ยก็จะให้กับคนคนนั้นเท่ากับหมายถึงสภาพที่ว่ายกให้มอบให้เหมือนกับอะไรอันนี้ในพิธีกรรมของพราหมณ์เขาเขามีอะไร ก็มีอะไรหลังน้ำซีโนโทกนะก็จะมีการแบบว่าให้โดยการที่ทุกวันนี้ใช้เป็นประเพณีกวดน้ำนั่นเองนะหลังน้ำซีโนโทกยกให้เนะี่ยเป็นเครื่องแสดงว่าว่าอาฉันจะมอบของนี้ให้กับคุณแล้วนะก็เทน้ำเนี่ยลงพื้นดินนะจริงๆมันจะเทใส่มือแล้วก็ลง ไหลลงไปสู่พื้นดินถือว่านี่เป็นพิธีกรรมในการที่จะยกของให้กับคนนั้น อ, อันนี้นี่จะเจอในพระเวสสันดรชาดกตอนที่ยกช้างปัจจญนาตเนี่ยให้กับพวกพราหมณนะ์อุ้มช้างยกให้ไหวปนะ่ะอุ้มช้างยกให้ก็คงไม่ไหวใช่ไหมมันก็ใช้วิธีใช้เป็นแบบว่าเ ป, เ, เป็นสั ญ, ญลักษณ์ ให้รู้ว่าเนี่ยคือการยกให้ถ้าพูดเฉยๆเนี่ยพูดแต่ปากเนี่ยมันมันไม่มีสั ญ, ญลักษณ์ไม่มีอะไรให้เห็นจริงจังใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาก็มีพิธีกรรมพวกนี้ขึ้นมาอย่างนี้ก็เป็นธรรมเนียมเนี่ยเป็นธรรมเนียมว่าพอพระราชาไม่ได้พูดแต่ปากนะว่าจะยกเมืองให้คนยันทานคนนี้ยครอบครองในตอนกลางคืนไม่ได้พูดแต่ปากถอดจริงๆถอดสร้อยถอดเครื่องประดับเนี่ยให้กับคนยันทานเลยไปสวมให้เหมือนกับ ถ้าโดยทั่วไปที่เราจะเห็นโดยทั่วไปเนี่ยเราก็เห็นเขาถอนมงกุฎใช่ไหมอถอนมงกุฎเนี่ยแล้วก็สวมให้กับให้กับอีกคนหนึ่งนั่นแหละเพราะนั mm ้น hmm. ถ้าสมมติทำอย่างนี้ได้เนี่ยถือว่าให้ทั้งรูปทั้งนามนะพูดไปพูดปากเปล่าเนี่ยมันทีมเหมือนกับเป็นนามธรรมานะเพราะเนี่ยแสดงลักษณะออกไปให้เห็นด้วยว่ายกให้จริงๆ และพระราชาทรงดำรงอยู่ในโอวาทของคนจันทานนั้นทรงทำความเคารพในฐานะของอาจารย์โดยพระองค์ทรงประทับนั่งบนอาสนะต่ากว่าแล้วทรงเรียนมนต์แสดงว่าตั้งแต่นั้นมาเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยนะยกให้คนจันทานนี่ครองเมืองใช่ไหมไม่ใช่แค่ยกให้ครองเมืองเท่านั้นนะยังยกให้เป็นอาจารย์ด้วย แล้วก็พระราชานี่ก็ยอมเป็นลุกสิทธ์เลยแล้วเวลาเรียนมนตกับคนยันทานคนนี้ก็ให้คนยันทานนี่ไปอยู่บนอานนาสูงส่วนพระราชานี่ตัวเองเนี่ยก็ไปอยู่อานนะต่ำแล้วก็เรียนมนพระสาสดาครั้นทรงสแสดงพระธรรมเทศนานี้แล้วทรงตรัสว่า พระราชาในครั้งนั้นได้เป็นพระอานนท์ในบัดนี้ส่วนคนจันทานก็คือเราตถาคตชนนีแหล่นนีนนจบจบเรื่องชะวะชาดกแต่ตอนจบเนี่ยให้สังเกตหน่อยหนึ่งนะส่วนคนจันทานก็คือเราตถาคตนะให้ให้ให้สังเก ต, ตตรงนี้หน่อยหนึ่งคือ บ, บางทีบางคนเนี่ยออชอบ ฟังชาดกเนี่นะที่ชาดกที่เล่ากันมาต่างๆบางทีเรามัากจะเจออยู่แต่ว่าเป็นอย่างงาน้นเป็นอย่างนี้อะไรที่บางทีค่อนข้างดีนะเป็นลูกกษัตริย์มากเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีอ่ะเป็นพ่อค้าเป็นอะไรอย่างต่างที่ดูแล้วร่ํารวยหรือว่าอะไรแต่คราวนี้เป็นคนจันทานแล้วก็จนด้วยไม่ได้รวยเลยมันจะให้เห็นว่าเยอะแยะมีมากมายนะ ยิ่งเป็นคนยันทานเนี่ยจริงๆเท่ากับว่าเป็นคนเหมือนกับหน้ารังเกียจของของของชนชั้นในของอินเดียเขาด้วยซ้าไป mm hmm. เพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าผู้ที่จะเป็นโพธิสัตว์เนี่ยนะที่จะมาเกิดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะต้องเกิดเป็นลูกกษัตริย์จะต้องเกิดมาเป็นลูกปอกค้าร่ารวยอะไรเสมอไปอ่ะไม่หรอกบางทีก็เกิดเนี่ยลูกคนยากคนจน ไม่ไม่ใช่ลูกคนจนธรรมดานะถ้าเกิดในวรรณะสูตร ก, ก็เขายังไม่ลังเกียดใช่ไหมแต่เพียงแต่เขาถือว่าเป็นวันหนาต่ำแต่ถ้าเกิดเป็นจันทานอย่างนี้โอ้โหเขาลังเกียดเลยเขาติเขาว่าเลยจําได้ไหมใครนะที่มีปัญหาเรื่องเรื่องแย่งน้ํากันเนี่ยเดี๋ยวชื่ออะไรอะไรทัดๆนะที่ที่ มาขอขอ่ะกษัตริย์นี่มาขอลูกอธิดาของกษัตริย์เนี่ยจะเอาไปแต่งงานใช่ไหมพระเจ้าอะไรก็ลืมละแหมอาตมาก็จำไม่แม่นซะด้วยจะจำได้แต่เขาโค้งเรื่องฮะวิภูรทัศน์ใช่ไหมวิภูรทัศ น, น์นั่นนั่นนั่นน่ะคือตัวลูกของนนั่นน่ะเท่ากับแบบคนจันทานเนี่ยเท่ากับเป็นพวกคนจันทานวิภูรทัศน์เนี่ยนี่ เพราะว่าพอพระเจ้าอะไรพระเจ้าพิมพ์พิสารหรือเปล่าพระเจ้าอะไรนะไปขอใช่ไหมแต่ทางงูเนี่ยไม่ยอมยกพระธิดาให้แล้วก็ไปให้พวกคนใช้เนี่ยซึ่งอยู่ในวันนะอื่นไงเอามาแล้วก็มาให้แต่งงานด้วยเสร็จตาหลังแล้วรู้เนี่ยนี่แหละตระกูลสากยระยาวงเนี่ยเลยแทบหมดตระกูลเลยเพราะความแค้นของพิู่รทัศน์เนี่ย ที่แคนโดนหาว่าเป็นคนจันทรานนะเพราะว่าพออะไรรู้ตอนที่เรียกว่ามาเยี่ยมมาเยี่ยมทางนี้เสร็จใช่ไหมกินอาหารเสร็จแล้วก็จะกลับไปอย่เงี้ยพวกคนใช้ของที่นั่นนะเออบอกว่าโอ้มาแล้วก็เป็นเสนียดก็เลยเอานมเนี่ยมาล้างเขาเขาถือว่าน้นํานมนี่เอามาล้างเสนียดนะเอามาล้างพื้นอย่างเงี้ยเสร็จพิ่ภูทัศน์นี่ด้ยินครับ ก็เลยรู้ก็เลยรู้ไงว่าโอ้โหว่าแม่เขานี่ไม่ได้เป็นลูกกษัตริย์ใช่ไหมเท่าเท่ากับว่าเขาเป็นคนจันทานก็เลยแค้นมากเลยเลยบอกว่าจะเอาเลือดเนี่ยมาล้างแต่หลังก็โอ้โหพระเจ้าขงพย า, ยา ม, มาห้ามนะมาห้ามทัพเอาห้ามไปครั้งหนึ่งจําจำไม่ได้ว่าห้ามกี่ครั้งก็ไม่รู้เอจนกระทั่งแต่หลังห้ามไม่สําเร็จ ผู้เจ้าก็บอกว่าเออมันเป็นวิบากกรรมนี้สุดก็ก็แก่ไม่ไม่ไหวก็เลยวิพูทัศนนี่ก็โหฆ่าเกือบหมดเลยล่ะไม่รู้ว่าเหลือมั้งหรือเปล่าก็ไม่รู้ยังไงก็เหลือผู้เจ้าอยู่นะไม่กล้ามาทําอะไรนั่นแหละผู้เจ้าท่านก็ไม่รู้จะไปแก้วิบากกรรมที่คนสร้างกันไว้ยังไงเพราะว่าจริงๆแล้มันเป็นเรื่องที่ว่า เจ้าตัวแต่ละคนเนี่ยจะต้องแก้เองไม่ใช่ว่าคนอื่นจะมาแก้ให้นี่ขนาดผู้เจ้าเจ้าก็ยังไปแก้ให้ไม่ได้เลยขนาดว่าคุยง่ายว่าพยายามฝืนพยายามที่จะไม่ให้เกิดการฆ่ากันแล้วใช่ไหมแต่ก็ยังแก้ไม่ได้ในที่สุดก็นิพุททัศน์นี่ก็ฆ่าล้างพวกสากยะวงศจนเกือบหมดเลยนะอันนั้นก็เป็นเรื่องของชั้นบรรณแต่ในวันนี้เนี่ยชาดกเรื่องนี้ มาตั้งว่าไม่เคารพธรรมนะจะเน้นจะเน้นงจุดว่าไม่เคารพธรรมมากกว่ า, าก็มีพระสูตรนะจากสัทธธรรมสัมโมส ส, สูตรมีบอกกว่าอย่างนี้ว่าธรรมะของคนดีเนี่ยจะเป็นไปเพื่อความลบเลือนเพื่อความเสื่อมสูญเพราะฟังดูนะมีอยู่หข้อ แต่บาว่าพวกเราเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วทั้งนั้นนี่แต่วันนี้เอามาเข้ากับเรื่องเนี้ยรู้สึกว่าเหมาะบางทีอาจจะเออได้แง่คิดมุมอื่นๆมากขึ้นก็ได้นะดูนะธรรมะของคนดีนั้นจะเป็นไปเพื่อความลบเลือนเพื่อความเสือ่อมสูญเพราะหนึ่งผู้ฟังไม่ฟังธรรมโดยเคารพผู้ฟังไม่ฟังธรรมโดยเคารพ หรืออาตมาจะพูดใหม่ว่าไม่เคารพในการฟังธรรมอาตมาจะพูดใหม่ว่าไม่เคารพในการฟังธรรมอะไรนะอาตมาระกีบอกไปแล้วไงเราเองเนี่ยนะถ้าเราไม่สามารถจะปลุกจิตให้เกิดศรนะัทธาความเรื่มใสหรือว่าทำจิตทจิตเราเนี่ย ให้มันมีฉันทะลงไปได้แล้วมันมันจะไม่เครารพในการฟังธรรมเพราะฉะนั้นถ้าเรามีตัวนี้อยู่ถ้าเรามีความเครารพในธรรมมนี้อยู่นะเราจะไปฟังใครพูดก็ได้จะเป็นพ่อท่านเทศจะเป็นสมณะอื่นๆหรือว่าจะเป็นไม่ต้องอ่ะเอาคารวาสเดียกันเนี่ยพูดเรื่องธรรมะให้เราฟังหรือแม้แต่คนที่เราไม่ชอบใจเขาด้วยแล้วเขาก็ มาพูดเรื่องของความดีเรื่องของคุณธรรมแรงต่างนี้ให้เราฟังถ้าเราเป็นคนที่เคารพในธรรมนะเราจะฟังธรรมนั้นได้เพราะว่าคำว่าธรรมนี่หมายถึงว่าความดีใช่ไหมหมายถึงว่าสิ่งที่มันดีเพราะาเราสามารถจะรับประโยชน์ได้แม้จากศัตรูของเราถูกไหมถ้าเราเป็นคนที่เคารพธรรมเพราะาถ้าเราเคารพธรรมเนี่ย ไม่สําคัญเลยว่าจะเป็นคนไหนพูดจะเป็นคนที่เราเกลียดหรือจะเป็นคนที่เราศรัทธาไม่เกี่ยงเลยมันอยู่ที่ตัวธรรมะนั่นต่างหากใครพูดก็ได้เราก็สามารถจะได้ประโยชน์จากคนนั้นทั้งนั้นเลยซึ่งซึ่งในกฎระเบียบเราอะ่ะเห็นไหมสํา น, นวนว่ายังไงนะที่บอกว่าเราสามารถที่จะได้รับประโยชน์หรืออะไร จากทุกๆคน่ะทุกๆคนเป็นครูของเราอะไรเนี่ยในกฎระเบียบอะใครจําได้บ้างนะเ อ, อมามนทํานองเนี่ยมาจําทุกคําไม่ได้คนที่เคารพธรรมนะะถึงจะทําอย่างนั้นได้คนที่ไม่เคารพธรรมจริงเนี่ยนะมันกลายเป็นว่าเคารพแค่บุคคลเมื่อเคารพแค่ บ, บุคคลเนี่ยคือยึดยึดตัวบุคคลเะะันคนที่เราเคารพเราศรัทธาเราฟังทำแล้วเราได้ธรรมะ แต่คนที่เราไม่เคารพเราไม่ศรัทธาปับ๊บเราฟังฟังธรรมชักไม่ได้อะไรละเพราะว่าบอกแล้วเพราะว่าเราเคารพที่ตัวบุคคลเราไม่ได้เคารพที่ธรรมนี่นี่นี่นี่คือความแตกต่างเพราะมันยังมันติดยึดตัวบุคคลอยู่ไม่ต้องอื่นไกลบางทีไม่ต้องไปพูดถึงไกลที่ไหนนะเอาแค่พวกเราเองเนี่ยนะโดยเฉพาะส่วนใหญ่คนที่เราไม่ค่อยชอบขี้หน้าเนี่ยเพียงแค่เขาเริ่มอ้าปากแค่นั้นเองนะ แค่เขาเริ่มอาปากเนี่ยบางทีเราเดาก่อนแล้วเดี๋ยวพูดอย่างนั้นเดี๋ยวพูดอย่างนี้นะทั้งๆที่บางทีเนี่ยที่เขาพูดมาเนี่ยไม่เหมือนกับที่เราเดาไม่เหมือนกับที่เราคิดเลยหรือเพอๆเอาละต่อให้บางทีเขาพูดมาอย่างนั้นเหมือนที่เราคิดก็ตามแต่แต่บางทีคนที่พูดจริงๆเขาไม่ได้คิดอย่างเราคิดแต่ไอ้ที่คิดนะคือเราเราคิดเองนะเราเดาเองว่าเขาคิดอย่างนั้นแล้วเขาพูดอย่างนั้น ทั้งทงที่บางทีคำพูดเดียวกันเนี่ยลองเอาไปให้คนที่เราเครารพศรัตเครารพศรัานะ <c ute> พูดคํานี้ออกมานะกับอีกคนหนึ่งที่ทเราไม่เครารพศรัทธาพูดคําเดียวกันออกมานะในสถานการณ์เดียวกันนะรับรองเลยว่าเราฟังคนที่เราเครารพส่วนคนที่ไม่เครารพนี่เรากว่าทิ้งเลยทั้งที่คําพูดคําเดียวกันเนี่ยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยที่มันต่างกันเพราะในอันนี้นเท่ากับว่าเครารพตัวบุคคลไม่ใช่เครารพธรรมทั้งทั้งที่บางที ทั้งสองฝ่ายในผู้มาอาจจะเจตนาเดียวกันเลยไปจับจิตให้ดีดิโดยเฉพาะเนี่ยเวลาเราดเูเขารายงานหรือเขาพูดอะไรก็ได้ฝ่ายที่เราคิดว่าไม่ไ ม, ไม่ไม่ถูกใจเรานะเวลาเขาพูดบางทีเขาก็พยายามพูดเหตุผลเขาพยายามหาข้อมูลดีเท่าที่เขาจะหามาได้แต่เราเองเนี่ยเราจะมีอคติในการฟังซึ่งนี่แหละนี่แหละคือการไม่เคารพธรรม นี่แหละคือการไม่เขารบธรรมคือมีอคติเข้าไปเพราะั้นไปสังเกตดูคนที่มีคําธรรมะดีๆนะจะเป็นคนที่มีปรตโตโคสะหรือว่าฟังความคิดของคนอื่นได้ดีสังเกตไหมไปสังเกตดูยิ่งคนที่มีมีสูงขึ้นสูงขึ้นนะมีธรรมะสูงขึ้นปฏิบัติธรรมได้สูงจะยิ่งฟังคนอื่นได้ดีมากแล้วก็จะยอมเปิดโอกาสให้คนอื่นเนี่ย พูดแล้วก็จะตั้งใจฟังดู ว, ว่าเฮ้ยเขาคิดยังไงกันแน่ทาไมเขาถึงพูดอย่างนี้ทําไมเขาถึงได้อะไรอ่ ะ, อะคิดมุมนั้นมุมนนได้ยังไงอะไรเงี้ยคือคือจะมีตัวเนี้เกิดขึ้นทันทีสําหรับคนที่เคารพทำเพราะว่าจะไม่ไม่ไปยึดตัวบุคคลแต่จะยึดว่าที่เขาพูดมาจริงหรือเปล่ามีเหตุผลหรือเปล่าวันถึงถึงบางทีเรามีอีกคำหนึ่งที่ พ่อท่านชอบใช้อยู่บ่อยๆคือคือคนเร็วคนเร็วเนี่ยเราเราไม่ได้เกียดที่ตัวคนเร็วใช่ไหมเออแต่เราเกียดที่ความเร็วของคนอันนี้ก็เหมือนกันนะแต่เปลี่ยนจากอันนี้ว่าจะเปลี่ยนจากการที่เราเคารพทรเนี่นะเราอาจจะเปลี่ยนเป็นว่า อ, อคือเคารพทำนีเน่เป็นมุมของของบวกเป็นมุมดีแต่อันนี้ก็คือว่าเปลี่ยนตรงมุมที่ว่ากลายเป็นมุมลบกลายเป็นมุมเลวนะคือคือเราก็อยู่ที่นามาทำตัวนี้อยู่ที่พฤติกรรมตัวนี้แต่เจ้าตัวคนนั้นนะ่ะคนเลวคนนั้นนะ่ะเราไม่ได้ไปเกียรติตัวเขาแต่เราเกียรติที่พฤติกรรมหรือว่าจริตนิสัยอะไรที่ทําออกมาลักษณะเนี้ยเราเห็นว่าไม่ถูกต้องอันเนี้ยน่ารังเกียจ ไอ้กิเลสอย่างนี้น่ารังเกียจแต่ตัวคนนั้นเราไม่เกียดเนี่ยเพียงแต่ว่าอันนี้มันเป็นมุมลบท่านเองเป็นมุมของความเลวแต่ถ้าตะกี้เราพูดถึงธรรมะเนี่ยนะว่าถ้าเครารพธรรมเนี่ยก็เป็นมุมบวกเป็นมุมที่ดีนะ อ, อันนี้นี่เป็นข้อที่หนึ่งวันถ้าใครเนี่ยเป็นผู้ที่เคารพในการฟังธรรมหรือเคารพในการฟังคนอื่นพูด ง, ง่ายเคารพในการฟังคนอื่นแนละ้ว คนนั้นธรรม ะ, ะธรรมะของคนดีนั้นก็จะไม่ลบเลือนก็จะไม่เสื่อมสูญ น, นะถ้าเราเคารพในการฟังธรรมอันนี้ข้อสองนะไม่เล้าเรียนธรรมโดยเคารพหรืออาตมาพูดพูดย้อนกลับว่าไม่เคารพในการเล่าเรียนธรรมไม่เคารพในการเล่าเรียนธรรมธรรมะนะ เป็นยังไงไม่เคารพในการเล่าเรียนออไม่ไม่ตั้งใจนะใช่อยู่แล้วแต่เล่าเรียนเนี่ยมันมันไม่ใช่แค่ตั้งใจไม่เคารพในการเล่าเรียนนี่คือไม่ขวนขวายเพิ่มเติมนะไม่ขวนขวายเพิ่มเติมเข้าไปอีกเล่าเรียนนี่มันหมายถึงว่าบ่อยๆเสมอๆ ม, มากขึ้นมากขึ้นยิ่งขึ้นกว่าเดิม ไม่ใช่แบบแบบสมมติอย่างเงี้ยวันพฤหัสสอนชาดกก็วันพฤหัสก็มาก็ถือว่าเอาแล้วก็ดีพอสมควรแล้วนะก็มาฟังกันแต่แค่นี้มันไม่พอนี่ยังไม่ใช่นักศึกษาถ้าอย่างนี้ยังไม่ใช่นักศึกษาอย่างนี้ยังถือว่าอะไรอ่ะก็เรียนไปตามอะไรตามเวลาหรือว่า ตามที่มันจะมีมันจะเป็นอะไรแค่นั้นมันยังเหมือนกับสังกัาตายอะ่ะมันเหมือนกับว่าอา้าวก็ไปตามนั้นมันยังไม่ได้มีฉันท่ลงไปเลยยังไม่ได้มีตัวขวนขวายลงไปไม่ได้มีเพิ่มมากกว่านี้เพราะจริงๆแล้วมันต้องมันต้องมากกว่านี้นะไม่ไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ว่าเท่าที่มีเหมือนกับอีกคำหนึ่งที่เราบอกว่าไม่หยุดอยู่ในกุศลธรรมนะอ่มันจะต้องเป็นลักษณะนั้น น, น, นั่นคือข้อที่สองว่าถ้าเราไม่เคารพในการเล่าเรียน ร, รมแล้วเนี่ยนั่นแหละธรรมะของคนดีก็จะเสื่อมสูญนี้ข้อที่สามไม่ทรงจำธรรมโดยเคารพเอาละสีคราวนี้อาตมาก็โดนด้วยนะข้อ น, นี้พูดกลับพูดกับว่าไม่เคารพในการทรงจำธรรม ทรงจําธรรมะไม่เคารพก็คือว่าอันนี้แหละคือเราไม่หมั่นทบทวนแล้วมันจะจําได้เนี่ยมันต้องหมั่นทบทวนใช่ไหมต้องอยู่เรื่อยๆต้องหมั่นทบทวนอยู่ orthog. เรื่อเททนเนย Jar, ad, ททเพราะเราไม่หมั่นทบทวนนี่ยแหละเท่ากับว่าเราไม่เคารพถ้าเราไม่หมั่นทบทวนแล้วก็เพราะเราไม่หมั่นทบทวนนี่ยแหละไม่พยายามย้ำไม่พยายามซ้ํำซากกับมันนี่แหละธรรมะมันถึงได้เสื่อมสูญ เพราะฉะนั้นนั่นแหละเมกี้เนี่ยนึกชื่อนึกอะไรก็นึกไม่ค่อยออ ก, กอ น, นะท่า น, นแหละเพราะไม่ไม่ทบทวนนะไม่ไม่หมั่นในการจําให้ดีเอาว่าข้อที่หนึ่งก็นั่นแนหะไม่เคารพในการฟังทำนะข้อที่สองก็คือไม่เคารพในการเล่าเรียนรทำนะข้อที่สามก็คือไม่เคารพในการทรงจํา ธรรมะนี่ข้อที่สี่ไม่ใคร่ครวนเนื้อความธรรมที่ทรงจําไว้โดยเคารพข้อที่สี่นะก็หมายถึงว่าไม่เคารพในการที่จะใคร่ครวนเนื้อความธรรมะที่เราเนี่ยจำเอาไว้หรือว่าที่เรามีเอาไว้โอหอันนี้อันนี้อันนี้นี่สําคัญนะอันนี้คือธรรมวิจัยนั่นเอง นะอันนี้คือวิปัสสนาธรรมวิจัยเพราะตัวนี้นี่หมายความว่าบางคนเนี่ยไปสังเกตดูดิจดก็จดไว้ตั้งเยอะอาตมาเนี่ยก็จดอยู่บ่อยเหมือนกันน่ะบางทีฟังพ่อเทศอะไรก็จดแต่ไม่ค่อยจะไปเปิดดูเท่าไหรอ่อ่ะบางทีพอพ่อถามก็ลืมอีกนะอันนี้แหละถือว่าใช้ไม่ได้นะคือคือไม่ไม่เอาไป อันนั้นนะที่จริงยังอยู่ในข้อสามด้วยนะด้วยซ้ํำไปนะเมื่อกี้ที่พูดเนี่ยแต่ตอนนี้ยิ่งกันนั้นคือไข้ครวนอาตมาอาจจะรู้สึกว่าตัวเองอาจจะดีหน่อยอย่างนะั้นจริงไอจ้จํานี่อาจจะจําคำคำเนี่ยจําอะไรพวกนี้จําไม่แม่นแต่ถ้าพูดถึงไข้ครวญนี้ยอาตมารู้สึกว่าพอใช้ได้ที่รู้สึกว่าพยายามเอาไปพิจารณายามเอาไป ทวนในแง่ของของความคิดเนี่ยว่าอาตมาอาจจะจำไอ้คาความไม่ได้แต่จําแก่นเก๋นมันได้จําเนื้อเนื้อของมันได้เอาเอาไปใช้ได้เอาเนื้อเนื้อไปใช้ได้แต่ว่าถ้าใครมาถามว่าอ่าสโลกทําปีนี้สมมุตินะพ่อท่านบอกว่ายังไงี่จําไม่ได้ว่าข้อความมันเป็นไงแต่ถ้าให้อธิบายว่าทํานองนี้แหละ นะอย่างนี้อธิบายได้เพราะว่าจําได้อยู่จําไอ้เนื้อหาสาระมันได้อยู่บางทีเอาไปพิจารณาด้วยซ้ำไปว่าโอ้หมายถึงอย่าง น, าง น, างนี้บางทีพิจารณาจนกรทั้งไกลกว่านั้นอีกมากกว่าความสั้นๆนั้นอีกซึ่งอันนี้แหละอันนี้สําคัญมากเพราะอันนี้จริงๆจะเป็นเหมือนกับยานหรือว่าปัญญาของตัวคนนั้นเองที่คนนั้นเนี่ยจะเกิดหรือไม่เกิด พอเลกี้อามาบอกแล้วเหมือนกับวิปัสนาหรือว่าเหมือนกับธรรมวิจัยคนนั้นเนี่ยจะต้องเอาไปตีให้แตกฉานเองแล้วถ้าคนนั้นเนี่ยจำในลักษณะนี้ได้เนี่ยคนนั้นจะเอามาใช้ได้เวลาที่เอ่อมันมีอุปสรรคหรือว่ามันเกิดผัด ส, สะอะไรขึ้นมาเนี่ยอันนี้แหละที่จะเอามาใช้ไม่ไม่ใช่แค่จำท่าเล็กี้นี่ข้อสามยังแค่จำอ่าเขาจะเข้าใจไหม อั น, นั้นแค่จำนั้นเองจำนั้นนะพอเวลามีภาษาเกิดขึ้นบางทีไม่ยด้ามาใช้อะไรเพราะว่าไม่รู้จะเอามาใช้ยังไงด้วยเพราะว่าอย่างเก่งก็เอามาพูดเอามาบอกหรือว่าเอามานึกขึ้นมาเป็นคําพูดเท่านั้นเองแต่บางทียั ง, ย, งยังแก้แก้ให้เราเนี่ยคลายทุกข์เนี่ยบางทียังไม่ค่อยได้ถ้าจะได้ก็ได้น้อยมากแต่ถ้าเราไข้ควครไข้ควรหรือวิปัสสนาแล้วเนี่ย มันจะขึ้นมาในจิตเราเลยพอเราผัดสาปปั๊บนี่นะไออันนี้มันจะขึ้นมาเลยมันจะมาแนะมันจะมาบอกมันจะมาสอนมันจะมาเตือนถ้าเราจะไปทำผิดอะไรเนี่ยมันจะห้ามนะมันจะขึ้นมาทันทีมันเป็นมันจะเป็นสภาวะขึ้นมาเลยแต่ยังยังไม่ใช่สภาวะแท้นะเพราะว่าอันนี้ยังเป็นแค่เป็นแค่สภาวะของของในด้านของความคิดเท่านั้นเองยังไม่ใช่สภาวะทาตัวจริงแต่อย่างน้อยเนี่ย มันก็ได้คิดแล้วได้พิจารณามาแล้วในในสมองเราเนี่ยใช่ใช่ยังไม่ใช่ของจริงแต่ว่าเราเราได้เข้าใจตามอันนั้นยังถืออยู่ในข้อสี่นี้ได้ว่ายังใคร่ควรไปตามทำนะยังเป็นการใคร่ควรเพราะนั้นมันยังเป็นแค่ว่าเป็นสภาวะในจิตเท่านั้นเอง